มีใครอยากจะถามอะไรนะั้ยอยากจะรู้อะไรเกิดมาทำไมรู้ป่ะ ม, มีใครเคยบอกเราไหมว่าเกิดมาทำไ ม, มเกิดมาหาเงินหาแฟนหาครอบครัวหาลูกหาเต้าแล้วก็ทิ้งไปหมดเวลาตายได้อะไรไปบ้าง ไปทไมไปแล้วไม่รู้ไปไหนตายก็ไม่รู้ไปไหนอีกใช่ไหมไม่รู้ว่าใครตายใครไม่ตายเป็นเรื่องของพวกเราพวกคนตาบอดตุต๊ตอนี้โชคดีได้มาเจอคนตาดีคนตาดีเขารู้ว่าพวกเราเป็นใคร พวกเราคนจะมาทำอะไรกันอย่างที่พวกเราทำกันตอนนี้มันทำผิดก็ยังนะทำแล้วไม่ได้เรื่องทำเท่าไหร่ก็เสียไปหมดทำไปทำไมทำให้เหนื่อยไปกว่าหาเงินมากี่ร้อยล้านเป็นงไงตายไปเอาไปได้ปะหาแฟนหาผัวหาเมียหาลูกตายไปเอาไปได้ปะ ความสุขที่ได้จากแฟนจากลูกจากเงินจากทองเอาไปได้ปะ่ะเวลาตายมีแต่ร้องห่มร้องไห้ไงนะเวลาจากกันนี่ไม่มีใครยิ้มกันเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็อยู่เฉยๆไม่ไดอ้อยู่เฉยๆก็เหงาอีก อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อะไรต้องมีแฟนอยู่ที่เฉยถ้าไม่ไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวก็มีแฟนแล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเอง ก, ก็เหงาอกีกก็ต้องหาเงินกันเองหาเงินไปเที่ยวกันหาเงินไปซื้อของที่อยากได้กันแล้วซื้อมาเท่าไหร่ก็พอไหมเต็มบ้านล้นบ้านต้อง ทำที่เก็บของเพิ่มขนาดบนนี้มันต้องคอยเบรกผ้าเลยของมันก็เข้ามาเรื่อยๆไม่มีที่เก็บผ้าขอๆออเพิ่มที่เก็บไม่ไม่มีแล้วเอาเท่าที่มีเนี่หละมีแต่จะให้มีมนัน้อยๆถ้ามันจะเก็บก็ไม่แสดงว่าไม่จำเป็นเอาของที่เราใช้เป็นประจำอยู่ก็พอ ถ้าของเก็บไว้มันโอยถ้าอยากจะเก็บมันเก็บได้เยอะแยะเป็นกูดังเลยนหมเป็นกูดังเก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเก็บมันไปอย่างนั้นะมันอยากได้พอได้มาแล้วก็หวงไม่อยากให้มันหายไปก็ต้องซื้อที่เก็บวุ่นวายไปกับการหามาวุ่นวายกับการเก็บรักษาแล้วเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้ หรือขโมยมาขโมยไปก็เสียใจเรากำลังมาหาความทุกข์กันทั้งๆที่เราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันคิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขกันมีเงินทองมากๆจะมีความสุขมีอะไรมากๆจะมีความสุขแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เราได้มา แล้วเดี๋ยวก็ต้องจากมันไปหรือมันจากเราไปเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําอยู่เฉยๆก็เหมือนกับอมีอะไรมามาบีบอกมีมาอะไรมารัดอกรัวใจอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจ ให้นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้เคยสอนให้ญาติโยมเรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงเลยไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งเยื้อนั่งเก้าอี้ก็ได้มันน่าจะสบายนะไม่ต้องทำอะไรทำงานกับนั่งเฉยๆไหนดีกว่าใช่ั้มไม่ต้องออกแรไม่ต้องอะไรนั่งเฉยๆไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มนอกจากน้าเปล่า อายู่น้ำก็เดอนน้ำเปล่าให้ร่างกายกไม่ต้องไปไหนนั่งอย่างนี้นอกจากปวดท้องฉีก็เข้าไปฉีฉี่เสร็จก็กลับมานั่งใหม่มันน่าจะมีความสุขนะคนเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องหาเงินนั่งเฉ๋เสียเงินไหมชอบเสียเงินนั่งแบบเสียเงินกันนั่งรถไปไหนมาไหนเึ้นงรถแท็กซี่ก็เสียเงิน ไปนั่งในบาร์ในผับก็เสียเงินไปนั่งในโรงหนังโรงละครก็เสียเงินชอบนั่งแบบเสียเงินกันนั่งแบบฟรีๆไม่ชอบนั่งกันเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านสบายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองอำไมไม่นั่งกันทําไมต้องไปหาเงินหาทองกันแล้วเพื่อจะได้ไปนั่งเสียเงินเสียทองกันนั่งรถกันไปนั่งเครื่องบินกันไปนั่งเครื่องบินยอม ยอมเสียเงินยอมเสียยอมนั่งให้นั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ยอมนั่งไม่ได้ต้องนั่งบนเครื่อ ง, ถ, งถึงแต่มาอยู่บนเครื่องมันจะอึดอัดจะยังไงก็ยังยอมนั่งให้อยู่บ้านนั่งสบายไม่อยากนั่งแปลกนะคนเราถ้าไม่เสียเงินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มันไม่สุขต้องเสียเงินก่อนถึงมันถึงจะสุขกัน ที่นี้พอไม่มีเงินจะเสียจะทำไงจะนั่งเครื่องก็นั่งไม่ได้ก็ต้องไปขโมยเงินเข้ามานั่งไปโกงบ้างไปทำอะไรผิดกฎหมายทำอะไรผิดศีลธรทมแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางกันเพราะอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองกันไม่ได้ ต้องใช้เงินทองกันถึงจะมีความสุขกันแล้วใช้เท่าไหร่พอไหมไม่เคยพอวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องใช้เหมือนวันนี้อีกถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ใช้ก็หงดดหง็ดเลยลำคาญใจวุ่นวายใจนี่แหละพวกเราถึงว่าเป็นพวกมีกรรม ม, รร ม, รร ม, มีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องอาศัยกรรมต้องทำนู่นทำนี่อยู่เฉยไม่ได้ต้องทำมีเผ่าพันธุ์เกิดมาก็มีกรรมเป็นคนให้เรามาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราให้เรามาทำนู่นทำนี่กันทำแล้วเราก็ไม่ได้อะไรได้ามาก็หายไปเหมือนควันไฟ ได้ความสุขจากการกระทําก็เดี๋ยวเดียๆไปทําอะไรมาปุ๊บความสุขที่ได้มาปั๊บก็หายไปละไปกินไปดื่มเสร็จกลับมาก็หายไปละไปดูไปฟังอะไรเสร็จแล้วกลับมาก็หายไปหมดนะไม่มีอะไรเหลืออยู่ติดค้างอยู่ภายในใจนอกจากความทรงจำํำ จำได้ว่าไปที่นู่นมาไปที่นี่มาไปดูนั่นไปฟังนี่มาพอจำแล้วก็เกิดความอยากอยากจะกลับไปที่นั่นอีกอยากจะกลับไปดูกลับไปฟังอีกเราจึงอยู่เฉยๆกันไม่ได้เพราะความอยากมันคอยผลักให้เราไปหาสิ่ง น, นั้นหาสิ่ง น, นี้หาคนนั้นหาคนนี้ หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องมีราวกันไปทะเลาะกันไปขัดใจกันไปทุกตีกันไปด่ากันไปว่ากันชีวิตเรานี้ไม่เคยอยู่กันเป็นสุขเลยอยู่กันแบบมีเรื่องมีราวกันตลอดเวลา แม้กับคนที่เรารักแสนรักก็ยังต้องมีเรื่องกันสามีเราภรรยาเราเดี๋ยวก็มีเรื่องกันลูกเราก็มีเรื่องกันรักมันแสนรักเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องกับมันเพราะต่างคนต่างอยากจะทำตามความอยากของของตนเองทำแล้วมันก็ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนสามีไปทำอยาก สามีอยากจะไปทำเรื่องของตัวเองก็ทำให้ภรรยาเดือดร้อนสามีอยากจะกินเหล้าภรรยาก็เดือดร้อนภรรยาอยากจะเล่นไพ่สามีก็เดือดร้อนมีแต่เรื่องในชะ่ไหมมนุษย์เราอยู่เฉยๆกันไม่เป็นอยู่แบบเป็นสุขกันอยู่ไม่เป็นต้องอยู่แบบมีเรื่องมีปัญหามีทุกข์กัน เพราะอยู่ไม่เป็นสุขกันเพราะไม่รู้จักวิธีอยู่เป็นสุขอยู่กันอย่างไรเราต้องมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธพระธรรมคำสอนเจอพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบไม่มีเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครอยู่คนเดียวได้ อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมียศไม่ต้องเป็นนายร้อยนายพันไม่ต้องเป็นนายพลไม่ต้องเป็นเจ้าเป็นนายอยู่แบบขอทานสบายกว่าเช้าก็เอาบาตเข้าหมู่บ้านไปขอทานมินทบาทได้อะไรมาก็กินตามมีตามเกิด กินเสร็จแล้วก็ไปอยู่เฉยๆกันแต่พระสงฆ์องค์เจ้าบนเขานี้เมื่อเช้าไปบินบา ร, รชั้นเช้าเสร็จแล้วก็กลับประมาอยู่บังนี้ท่า น, นทำอะไรไหท่านก็ไปนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งนัง่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้มันไม่ให้อยากตับความอยากได้แล้วก็อยู่เฉยๆได้นั่งเฉยๆเดินเฉยๆได้วันนี้ไฟฟ้าก็ไม่มี จะดูทีวีก็ดูไม่ได้แต่กลับอยู่องอย่างสบายไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีเพื่อนข้อมูลนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่ไม่ไปคุยกันไม่อะไรกันอาจอยู่คนเดียวถึงเวลาก็ไปหาอาหารกิน ถึงเวลาก็มาช่วยกันกวาดลานวัดกวาดทางเดินอยู่น้ำก็มีน้ําชากาแฟมีน้ำปลาให้ดื่มวันละครั้งหนึ่งนอกนั้นก็ไปสู้กับความอยากไปะยุดไอ้ความอยากที่อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่กันเพราะถ้าปล่อยมันทํำนะมันทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ เราเคพอไหเราเทาตามความอยากมาเนี่ยตั้งแต่วันเกิดแล้วเนี่ยมันมันบอกพอแล้วยังไม่พอยัอยงต้องไปที่นั่นยังต้องมาที่นี่ยังต้องมีนั่นยังต้องมีนี่ชีวิตเราไม่รู้ความจริงว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรรู้ว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขกันรู้ว่าเกิดมาเพื่อดับความทุกข์กัน แต่หาความสุขเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันเป็นเหมือนเงาทอดอยู่ข้างหน้าเราคิดว่ามันอยู่ตรงนู้นพอไปถึงตรงนู้นมันก็หายไปแล้วต้องไปมันบอกไปตรงนู้นต่อคิดว่าได้นั้นมาแล้วจะมีความสุขพอได้มาแล้วความสุขหายไปแล้วต้องมีนั่นต่อถึงจะมีความสุขตรงนู้นเราท่านบอกว่าตอนต้นก็เกิดมน้าก็ ถ้ามีมีกินมีใช้ก็มีความสุขละแต่พอมีกินมีใช้ไม่พอซะละต้องร่ำต้องรวยถึงจะมีความสุขพอรวยแล้วก็ยังไม่พ อ, อต้องรวยไปนานๆต้องรวยไปจนวันตายพอรวยไปจนวันตายก็ยังไม่พ อ, อตายไปก็อยากจะไปสวรรค์มันมีใครอยากจะไปนรกกันนะ พอไปสวรรค์ลแล้วก็กลับอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็เริ่มรอบใหม่พอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีกินไม่อดอยากขาดแคลนเกิดมานี่ขอให้อย่าอดเลยขอให้มีกินมีเดิน ม, มีใช้พอมีกินพอมีพอกินแล้วทีนี้ก็อยากรวยแล้วสิเห็นคนนึ่งเขารวยแล้วรู้สึกอยากชักยาดีเห็นเขามีรถเก๋งขี่เขามี นู่นมีนี่ก็อยากจะมีกับเขาสิอยากจะรวยเอารวยแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตฮะรวยแล้วเห็นเขาเป็นนายกก็อยากจะเป็นมากก็เล่นการเมืองการเมืองท้องถิ่นก่อนเป็นนายกเมืองก่อนนายกเทศบาลก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปเป็นนายกตำบล น, น, นายกอะไรไปเรื่อยๆหรือก็เลยเป็นสอสอ เป็นสสแล้วก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเี่พอเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเป็นนายกนะถ้าเป็นนายกแลก็ต้องเป็นหลายหลสมัยมันไม่มีวันพอถ้าเป็นข้าราชการก็พอเป็นรัฐการก็อยากจะเป็นนายร้อยนายสิบมันน้อยไปอยากจะเป็นนายร้อยพอได้ร้อยก็ไม่พออยากจะเป็นนายพันนั่นเอง พอได้ในพันก็อยากจะได้ในพันมันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราทุกขกับการหาสิ่งต่างๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหาไม่ได้ก็เสียใจ ได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจไม่รู้จะไปหามมื่อทำไมแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ตายไปก็ต้องทิ้งมันหมดหาเงินมาได้กี่ล้านก็ต้องทิ้งมันหาตำแหน่งมาได้กี่ตำแหน่งก็ต้องทิ้งมันไม่มีอะไรติดตัวไปได้ไปแล้วก็กลับมาใหม่โดนที่ไม่รู้ว่ากลับมาใหม่ พเรารู้เปล่าว่าเราเคยตายมาไม่ไม่รู้กี่ล้านครั้งนะเคยมีร่างกายแบบนี้มาไม่รู้กี่ล้านร่างกายนะพอร่างกายนี้ตายไปก็ดวงวิญญาณก็ไปหาร่างกายอใหม่ต่อพอได้ร่างกายใหม่ก็มาทำแบบเดิมมาหากินหาอยู่แล้วก็หาความร่ารวยหาความเป็นใหญ่เป็นโต เราก็ไปเที่ยวกันไปเล่นกันไปทําอะไรตามความอยากกันแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายกันนี่คือการหาความสุขของพวกเราการดับความทุกข์ของพวกเราทุกข์ที่เกิดจากการอยู่เฉยๆไงอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมพออยู่เฉยๆแล้วอึดอัดไหมเนะี่ยพอให้บอกไปติดคุกนี่มีใครอยากจะสมัครไหยถามว่าอย แต่กใครอยากจะสมัครไปติดคุกบ้างสบายนะติดคุกมีรอปรพอยามยี่บสี่ชั่วโมงมีอาหารฟรีให้กินถึงเวลาก็มากินอให้อยู่เฉยเฉยให้อยู่ในห้องปลอดภัยสบายจะตายไปแต่ไม่ชอบวิธีไม่ชอบหาความสุขแบบนี้กันจอหาความสุขแบบที่มันเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องไปหาเงินหาทองกัน การจะได้เงินมาเหนื่อยแล้วก็นอามาเหนื่อยกับการไปไปเที่ยวอีกต้องเดินทางไกลอยู่เที่ยวใกล้ๆ ก, ก็ไม่สนุกต้องไปไกลๆต้องเหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยเหนื่อยเพื่อเที่ยวนี่เหนื่อยเท่าไหร่เหนื่อยได้ยอมเหนื่อยเหนื่อยหาเงินเท่าไหร่ก็เหนื่อยได้ต้องหาเพราะถ้าไม่มีไม่มีเงินมันก็ไม่มีความสุขกัน แต่มันเป็นวิธีที่ไม่สุขจริงวิธีที่มีความทุกข์มีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดพอไม่มีเงินทองเงินทองขาดมือก็เดือนร้อนฮะถ้าเราฮะเราเคยหาเงินหาความสุขแบบนี้มากันนาน มากแล้วกําลังหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่เราหากันมันเหมือนบความสุขตะคุกเงาเง า, ามันจะอยู่ข้างหน้าเราเราก็เดินไปหามันคิดว่าจะไปจับหัวเงาหนยพอไปถึงตรงที่นั้นมันขยับไปกแล้วคิดว่าพอไม่มีนี้แล้วจะมีความสุขที่ไหนได้พอได้นี้แล้วมันโผล่ไปดุ่นอยากจะได้นี่ต่อแล้ ว, ลวตอนต้นก็พอมีพอมีพอกิน พอมีพอมีพอกินแล้วทีนี้ก็อยากรวยแล้วพอรวยแล้วทีนี้ก็อยากใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วนี่มันก็หลอกเราไปเรื่อยๆความสุขแบบเนี้แล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากอยู่เรื่อยๆคาว่าอยากก็แปลว่าหิวคําว่าหิวก็แปลว่าไม่พอเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่ไม่หิวกันความสุขแบบพอกัน มีพระพุทธเจ้าคนแรกในโลกนี้ที่คนพบวิธีหาความสุขแบบพอกันได้ความสุขแบบไม่บอกพอใครจะให้อะไรก็ไม่เอาพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างใครให้อะไรท่านท่านไม่เอาทั้งนั้นท่านเอาแค่จีวรเอาแค่บาทเอาแค่มีโกนเอาแค่เข็มกับได เอาแค่กับเข็มขัดรัดเอวเอาที่กองน้ำเนี่ยสมบัติองคพระเจ้ามีแค่แปดชิ้นเรียกว่าอาาัฐบริขารพอแล้วม่แค่นี้พออยู่ได้บาทก็ไปหาข้าวกินได้จีวรนก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคสมัยก่อนเขาก็ใช้น้ำปัสสาวะดื่มน้ำปัสสาวะที่อยู่ก็อยู่ตามโคนไม้ ทำเพลิงทำอะไรกันไปอยู่ตามเงื้อผาอยู่ตามถ้ำอ่งที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ของคนที่มีคาว่าพอไม่ลังเกียสบายอยู่ที่แบบนั้นกับสบายกว่าอยู่ในอยู่ในวังพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวังมาก่อนมีปราสาทสามฤดูทำไมถึงหนีทำไมถึงมาอยู่ตามโคนไม้ทำไมมาอยู่ตามถ้ำตามเงื้อผาว่ามันสบาย ไม่วุ่นวายมีปราสาทสามคนดูก็ต้องจ้างคนมาดูแลใช่ไหมก็ต้องมีเงินมาจ่ายมันเีกถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินมาอีกมันเหนื่อยัหยมีสมบัติเยอะๆมันไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนน้ำฝนตกลงมาจากฟ้าที่ไหบสมบัติมันก็ต้องหากว่าจะสร้างปราสาทขึ้นมาสักหลังหนึ่งต้องเสียเงินไปสักพั ไปอยู่ตามคนไม้นี่ทำเพิิงเดียวเเลยตัดกิ่งไม้ไม่กี่กี่กิ่งเอาใบมุ้งใหไม้มามาบุ้มมาบังก็เสร็จละวลบแดดหลบฝนได้ใจที่ไม่มีความอยากมันอยู่มันชอบอยู่แบบนี้อยู่แบบง่ายๆตายไปก็รู้ว่าเอาไปไม่ได้ตายไปก็ไม่เสียดายถ้ามีปราสาทมีอะไรอะไรจะตายนี่เสียดาย เสียใจอวดตาเหน็ดเหนื่อยหามันมาถ้าเป็นแทบตายต้องทิ้งมันไปซะแล้วแต่จะทําทไงได้ในเมื่อเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ยังมีความสุขเพราะเราไม่รู้จักวิธีอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเราจึงต้องมาดูพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยท่านสอนเราให้วิธีอยู่อย่างมีความสุขเนี่ย ให้นั่งแบบนี้เขาตาเจ้านั่งมาไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยถ้าไม่ลุกไปไหนเลยสบายไม่ต้องมีอะไรนั่งสมาธิไปแล้วสบายมีความสุขจิตสงบแล้วมีความสุขสบายใจไม่หิวไม่อยางอยู่ได้มีข้าวกินวันละมื้อก็อยู่ได้นะนจกนั้นก็ถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่า ไม่ต้องน้ําชากาแฟไม่ต้องเครื่องเดิมต่างๆไม่ต้องมีขนมนมเนยให้มาขบมาเคี้ยวไม่ต้องมีอะไรให้ดูให้ฟังพวกเราเป็นเหมือนพวกติดยากันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสกันต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสให้ให้เสร็อยู่เรื่อยๆเหมือนคนติดบุหรี่ เดี๋ยวก็ต้องติดเด๋ยก็ต้องสูกเลยเดี๋ยวก็ต้องสูกอะไรวัเดี๋ยวก็ต้องดูกันเดี๋ยวต้องฟังกันเดี๋ยวต้องกินกันต้องดื่มกันคนที่ติดยากับคนไม่ติดยาใครสบายกว่ากันคนไม่ติดยาไม่มียาเสกก็ไม่เดือดร้อนคนที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสกับคนที่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสใครสบายกว่ากัน ไม่ม right? <se participar mas 80> ีรูปดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเสียงฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรให้ดื่มให้กินก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดนี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องกินแล้วเดี๋ยวต้องดื่มเดี๋ยวมันปากคันปากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็คันหูเดี๋ยวก่าคันตาคันตาก็ต้องหาอะไรดูคันหูก็ต้องหาอะไรฟังฟังแล้วมันหายคันหหาเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวว่ากลับมาคันใหม่มาหักทาแบบพระพุทธเจ้าทำมหันั่งสมาธิกันวิธีที่จะทำให้เราสุขให้เราอิ่มให้เราพอไม่ต้องติดรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องติดลาบยศสรรเสริญ อันนี้แหละเป็นของวิเศษแต่พวกเราไม่รู้กันเพราะพวกเราไม่เคยลองกันลองทำดูสิลองนั่งสมาธิดูลองทำใจให้นิ่งดูแล้วมันจะติดใจมันจะเบื่อลูกเสียงกลิ่นลสเพราะมันความสุขคนลรระดับกันเหมือนได้รถเบนซ์มาแล้วเนี่ย รถ t o y o ต้าโตัวต้านี่ก็ทิ้งเลยให้คนอื่นขี่รถเบนซนีกว่าสบายกว่ารถ t o y o ต้า i ิ s สันหรืออะไร f o r d ดเฟ d รอะไรพอได้เบนเนี่ยแต่พวกที่ได้เบนั้นต้องมาเปลี่ยนเป็นฟอร์ดเพราะไม่มีเงินจ่ายพวกที่ได้นั่งสมาธิแล้วกลับมา กลับมาติดรูปเสียงกินแลก็เป็นพวกที่นั่งไม่ไหวนั่งไม่ได้<ม>พวกที่มาบวชนี่มานั่งสมาธิกันนั่งได้สามวันก็ข อ, อกลับบ้านนะ <c oughs> ไม่มีเงินจ่าย <c oughs> เงินที่ต้องจ่ายก็คือขันติการอดทน<ม>ความอดกลัน้นอยู่อยู่ห่างรูปเสียงกินลดได้ไม่กี่วันก็คิดถึงนะอยากจะกลับไปหามันนะ นั่งให้มันสงบให้ได้สิถ้านั่งให้มันสงบได้ถ้าทีนี้มันไม่อยากกลับละเรายังนั่งไม่สงบกันยังไม่เจอผลยังไม่เห็นผลก็เลยไม่รู้ว่ามันวิเศษอย่างไรก็เลยไม่ ไ, มได้ต้องมานั่งแบบไม่มีกาหนดกลับดูสักพักสิอย่ามาบอกมาอยู่สามวันห้าวัน พออยู่สามวันห้าวันมันก็นั่งคิดอยู่แต่วันเมื่อไหร่จะหมดจะได้กลับบ้านมาอยู่แบบไม่กลับเลยดูที่มันจะได้ไม่คิดถึงวันกลับมันจะได้มาพยายามนั่งอย่างเดียวพยายามทำใจให้สงบอย่างเดียวลองทำดูถ้าใจสงบแล้วรับรองได้ว่ามีอะไรยกให้คนอื่นได้หมด มีแฟนก็ยกได้ให้ได้มีลูกมีอะไรก็ยกให้คนอื่นได้ถ้าใครอยากจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลยดีซะอีกเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเลี้ยงแทนเราได้ชูโชคขอลูกพระเวสสันดรพระเวสสันอับไปเลยเราจะได้นั่งสมาธิได้สบายไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเลี้ยงลูก ทำไมท่านเห็นอะไรที่เราไม่เห็นถ้าเห็นว่าลูกโตขึ้นมันก็ทิ้งเราอยู่ดีงั้นเราทิ้งมันก่อนไม่ดีกว่าเลือกมาทิ้งเราเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราเดี๋ยวมันโต ม, มันก็ไม่มีเมียมีมผนะัวนะแลมันจะมาดูแลเราหรือเปล่ามันก็ไปดูแลผลัวดูแลเมียไปดูแลลูกมันต่อใช่ไหมถ้ามีใครอยากจะมาขอลูกไปเลี้ยงยกให้เข้าไปเลย เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาเสียใจอเรียกมันถ้บเป็นแทบตายมันก็ทิ้งเรา ล, ลองนั่งเถิดนั่งสมาธิเนี่ยความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงเนี้ความอิ่มความพออยู่ที่ตรงเนี้นั่งสมาธิได้แล้วจะไม่หิวจะไม่อยากะจะอยู่แบบเรียบง่ายได้อยู่แบบพอพออยู่พอกินไปวันๆก็ไม่กินมาก พระุทธเจ้าฉันวันละมื้อพอแล้วกินมื้อเดียวก็อยู่ได้สบายแตถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบแล้วกินกี่มื้อก็ไม่พอกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนกลางคืนลุกขึ้นมายังต้องไปเปิดตู้เย็นดูมีอะไรกินต่อมันหิวหิวที่ใจใจมันไม่พอ ใจไม่เคยสงบใจไม่เคยนิ่งมันไม่นิ่งมันก็เลยหิวถ้าหยุดปันหยุดความหิวได้หยุดความหิวใจได้ความอิ่มมันก็จะเกิดขึ้นงั้นต้องลองมาทํามันหยุดได้ใจเราวิธีหยุดใจก็ให้หยุดความคิดอย่าให้มันคิดให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวให้มันคิดอยู่พุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้มันคิดถึงขนมนมเนยอย่าปล่อยให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้พอคิดแล้วมันจะอยากพอคิดถึงขนมก็อยากกินพอคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มพอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาถ้าไม่คิดถึงมันก็ไม่มันก็ไม่มีความอยากถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธก็เป็นความคิดเหมือนกัน ทำไม่คิดถึงเั่องนั้นเรื่องนี้คิดได้ทั้งวันแต่พอคิดคําว่าพุโทโธคําเดียวกับคิดไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่ถ้าคำเดียวมันมันสั้นไปก็ให้มันยาวหน่อยก็คิดบทสวดมนต์ไปก็ได้คิดอิติปิโสไปอิติปิโสร้อยจบสวดไปเรื่อยๆอิติปิโสภากรวาลังสัมมาสัมพุโทโธวิจาจรณนะสัมปันโน วันก่อนมีเด็กอายุแค่สามขวบยังสวด อ, อิติปิโสได้ไม่ได้สามขวบก็สองขวบสามขวบดูนิดเดียวแม่ก็สอนให้สวนส่วนแล้วมันก็จะได้ลืมเรื่องราวต่างๆพอลืมแล้วมันก็สบายพอคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็วุ่นขึ้นมาวิตกกังวลขึ้นมาห่วงใหญ่ขึ้นมา แล้วห่วงยังไงวิตกยังไงเดี๋ยวตายไปก็จากกันไปอยู่ดีเอาไปไม่ได้อยู่ดีไม่ห่วงไปห่วงมันทาไมาถ้าห่วงแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดได้ก็ดีสิมันก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหยห่วงสมบัติเดี๋ยวมันก็จากเราไปห่วงลูกห่วงหลานเดี๋ยวมันก็จากกันไปไม่มีอะไรอยู่กันห่วงร่างกายเดี๋ยวก็ต้องจากมันไปไม่มีอะไรน่าห่วงในโลกนี้ ห่วงแล้วทำให้ทุกไปแบบป่ า, ปาสู้มาหยุดห่วงกันดีกว่าหยุดคิดกันดีกว่าพุโทโธพุทโธกันอิติปิโสกันไปแล้วใจจะิืมทุกเรื่องทุกอย่างไปเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้มาทำให้ใจเป็นไปด้วยสิ่งที่เราคนที่เราไม่รู้จักทาไมเราไม่วุ่นวายไปกับเขาอะ พราะเราไม่ไปคิดถึงเขาไม่ไปห่วงเขานี่ไหมเราไปห่วงแต่คนที่เรารู้จักคิดถึงแต่คนที่เรารู้จักเราก็ไปวุ่นไวายไปกับคนที่เรารู้จักคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่วุ่นวายกสบายคนอื่นที่เราไม่รู้จักตอนนี้เขาจะเป็นเขาจะตายเราเดือดราวุ่นวายไหมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลเราวุ่นวายเพราะเราไม่ได้มียุ่งเกี่ยวอะไรขเขา ไม่อยาไปยุ่งเกี่ยวกับทุกคนไม่ได้เลยอยู่แบบคนเดียวไม่ได้เลยไปวุ่นกับเขาทําไมไปห่วงเขาทาไมห่วงแล้วไปเปลี่ยนอะไรเขาอเปล่าห่วงแล้วทําให้เขาไม่แก่ได้หรืเปล่าห่วงแล้วทําให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรืเปล่าห่วงแล้วทําให้เขาไม่ตายได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เดี๋ยวเก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายอย่างนี้แล้วก็ห่วงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ เพราะเราโง่คิดไม่เป็นกันรู้แต่คิดรู้แต่วิธีคิดที่ทำให้เราทุกข์กันวิธีคิดที่ให้เราสุขกันคิดไม่เป็นวิธีที่คิดให้เราสุขก็คือเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห่วงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามใครได้ไปห่วงมันทาไม ห่วงก็ไม่ได้ทําให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายห่วงก็ใครทุกข์เราทุกข์ไม่สบายใจคือใครเราเไม่สบายใจเราไปเปลี่ยนอะไรเขาหรือก็ไม่เปลี่ยนเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมเยฮัดคิดแบบนี้สิถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะไปห่วงมันทําไมห่วงมันเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดี แต่ไม่ได้ให้ทอดทิ้งกันเขาว่าห่วงกับทอดทิ้งไม่เหมือนกันเขาว่าไม่ห่วงกับทอดทิ้งไม่เหมือนกันไม่ห่วงรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้น at at blanc, แ, chatter, แต่ไม่ทอดทิ้งกันคือช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันไปมันไม่มีข้าวกินก็หาข้าวมันกินไม่มียารักษาก็หายารักษากันไปไม่มีโรงก็ซื้อโรงให้มันไปแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ห่วงเขาก็ไปอยู่ดีไม่ห่วงเขาก็ไปถึงเวลาเขาจะไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ก็ฉุดไม่อยู่คิดแบบนี้เราจะสบายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงดูแลแต่ไม่ใช่หมายความไม่ให้ดูแลรักษาดูแลไปตามอัตภาพตามกำลังแต่อย่าไปเครียดถึงกับนอนไม่ได้นอนไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ วิตกกังวลเป็นหมดห่วงนู่นห่วงเก็บไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็จะโดนไฟไหม้เก็บไว้อย่างนั้นก็จะโดนขโมยนะถ้าคิดอย่างนี้แนละ้วมันอย่าไปมีดีกว่าม <laughs> ีเก็บไว้ในธนาคารกลัวเดี๋ยวธนาคารเจ๊งไปซื้อหุ้นเดี๋ยวก็กลัวหุ้นเจ๊ง <laughs> ไปซื้อทองเดี๋ยวก็กลัวทองตก <laughs> อย่าไปห่วงมันเลยก็ดูแลมันไปตาม ตามกำลังก็กระจายความเสี่ยงไปก็แล้วกันฝากในธนาคารบ้างซื้อที่บ้างซื้อตึกบ้างซื้อทองบ้างซื้อหุ้นบ้างมีหลายหลายอย่างมันไม่ได้ตกทีเดียวพร้อมกันหมดห <c oughs> ใช่ไหมแต่ยังไงตายแน่ๆถึงเวลาก็ตายแน่ๆรักษามันแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวตายก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี ทำไมไม่เอาของที่เอาไปได้ความสุขเนี่ยความสุขใจเนี่ยเอาไปได้ไม่เอากันความไม่มีความหวงเนี่ยไม่มีความหวงเนี่ยไม่มีความอยากเนี่ยดีจะตายไปไม่หวงไม่หวงไม่อยากก็สบายเนี่ยเอาติดตัวไปได้ไอ้ตัวนี้แหละรักษาได้ไม่มีใครที่จะมาแย่งจากเราไปได้ไม่มีใครมาพัดพาคจากเราไปได้ความสงบเนี่ย พุโทโธเนี่ยถ้าเรามีพุโทโธแล้วไม่มีใครมาแย่งเราไปได้ถ้าเรามีอิติปิโสแล้วไม่มีใครมาแย่งเราไปได้เวลาไม่สบายสวดอิติปิโสไปเลยแล้วใจจะสบายร่างกายจะเจ็บก็รู้สึกนิดเจ็บนิดเดียวที่เจ็บมากมันเจ็บที่ใจเจ็บเพราะอยากให้มันหายอยากให้ร่างกายหายเจ็บพอไม่หายก็ยิ่งเจ็บขึ้นมาใหญ่เจ็บที่ใจ ถ้าสวด ATP โสไปช่างหัวมันมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่ก็เหมันไปเราก็อ ATP โสของเราไปสวดมนต์ของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่สบายอย่างสบายออย่างนีน้ไม่สบายกายแต่จะสบายใจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจเราจะเย็นจะสงบจะสบายตายไปเราก็ไปกับความเย็นไปกับความสบาย ถ้าเรารู้จักรักษาใจแล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุขไปเรื่อยๆสุขด้วยสติสุขด้วยปัญญาสติก็เนี่ยพุโทโธพุโทโธไปอิติปิโสไปอย่าให้มันไปคิดถึงความอยากต่างๆแล้วใจจะเย็นใจจะไม่ร้อนความอยากนี่มันทำให้ใจเราร้อนไม่อยากจะไปไหนนี่ต้องไปเร็วๆขับรถนี่แซงซ้ายแซงขวากันไป อยากจะให้ไปถึงเร็วๆแต่ถ้าไม่มีความอยากก็ไปสบายๆพุโทโธพุโทโธไปถึงสีย่างไฟแดนก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอไฟเขียวมันก็ไปได้เร็เวสกแต่ถ้านั่งคอยจังดูน่งดูโอ้โหมันเหมือนเป็นปีกว่าจะเปลีป่ยนเป็นไฟเขียวเพราะใจมันร้อนเข้าใจไ้ย ทันผัดพุทโธพุทโธนั่งหลับตาล้างพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไฟเขียวรถข้างหลังมันบีบแก่ไล่เราเองอะ่ะสบายเนีย่ยใจเรามันร้อนด้วยความอยากอยากจะไปเร็วๆพอไปติดไฟแดงก็ร้อนขึ้นมาเครียดขึ้นมาอุดอัดขึ้นมาหาอะไรทำให้ใจเย็นพุทโธพุทโธไปติปิโสไป เดี๋ยวจะรู้สึกว่าไฟมันเปลี่ยนเร็วก็เกินเมื่อวานนี่นั่งรอให้ฝนหยุดเนี่ยนั่งกันห้าสิบนาทีแป๊บเดียวญาติโยมเคยนั่งห้าสิบนาทีไหมนั่งคนเดียวให้นั่งคนเดียวนั่งห้าสิบนาทีได้ไหยนั่งพุทโธไปห้าสิบนาทีแต่เมื่อวานนี่ฝนตกไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็นั่งอยู่ในศาลาเ น, นี่ยก็นั่งกันได้ นั่ใจเย็นใจสบายอันนี้แหละคือความสุขแท้จริงความสุขของเราอันนี้เราไม่ต้องพึ่งใครพึ่งสติคือพุทธโธหรือสวดอิติปิโสไปแล้วความสุขอีกแบบก็คือความสุขที่คิดตามความจริงคือทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างงั้นอย่าไปห่วงอย่าไปห่วง อย่าไปวิตกกังวลว่ามันจะจากเรามันต้องจากแน่ๆต้องรู้ว่ามันต้องจากแน่ๆจะได้ตัดปัญหาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจากตอนไหนเท่านั้นเองจากตอนเป็นหรือจากตอนตายแต่มันต้องจากแน่ๆแต่ถ้าเรายอมจากแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนมันอยากจะไปก็ไปเราก็อยู่กับพุทโธไปไม่มีอะไรกินกบพุทโธไปไม่มีอะไรเที่ยวกบพุทโธไป อยู่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับอะไรท่านก็ไม่มีอะไรท่านก็อยู่กับพุทโธอยู่กับปัญญานี่แหละสองอย่างนี่แล้วท่านก็มาสอนพวกเราอย่าไปอยู่กับความอยากอยู่กับความอยากล้วจะทาให้เราทุกข์กันอย่าไปอยู่กับความวิตกกังวลห่วงใยอย่าไปอยู่กับความหวงอันนี้เป็นของของร้อนทั้งนั้นชอบของร้อนกัน ของเย็นไม่ชอบกันพุทโธไม่ชอบกันอิติปิโสไม่ชอบกันเกิดแกเจ็บตายไม่ชอบกันไอ้คิดอยู่เรื่อยเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันแล้วใจจะเย็นขึ้นมาทันทีใจจะไม่ห่วงเมื่อรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันแล้วจะไปห่วงอะไรห่วงแล้วไม่มันไม่แก่เลยห่วงแล้วมันไม่เจ็บเลยห่วงแล้วมันไม่ตายเลยห่วงแล้วไม่พัดภาคจากกันมันก็พัดภาค แต่ห่วงก็มันร้อนั<ม>้ยถ้าไม่ห่วงว่มันเย็นมันสบาย<ม>แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันหรอกดูแลกันไป<ม>ช่วยเหลือกันได้ช่วยกันไปทำอะไรได้ให้ก็ทำไปไม่ให้ทอดทิ้งคำว่าไม่ให้ห่วงนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ทอดทิ้ง<ม>ห่วงก็คืออย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวิตกกังวลกับมันว่ามันจะมันจะเป็นอะไรมันต้องเป็นแน่ๆให้คิดอย่างนี้ อย่าไปคิดว่ามันไม่เป็นมันต้องเป็นมันต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่เจ็บตรง น, นั้นก็เจ็บตรง น, นี้แล้วมันก็ต้องตายกันทุกคนให้คิดอย่างนี้ไปเลยฟันธงไปเลยจะได้หายห่วงจะได้ไม่ห่วงจะอยู่อย่างเย็นเยอยู่อย่างสบายนี่ก็คือวิธีคิดคิดให้ปล่อยวางคิดว่าทุกอย่างมันต้องไป ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติถัดกันชงเดี๋ยวเราตายไปสมบัติที่เราไม่อยู่ก็เป็นของคนอื่นไ ป, ไปงัอย่าไปหวงอย่าไปห่วงอย่าไปอยากได้ถ้ามันมาถ้าถ้ามันมาเองก็รับไว้ถ้ามันไม่มาก็อย่าไปดิ้นให้มันเหนื่อยหาเท่าที่จาเป็นสบายกว่าหามากๆ ก, ก, ก็มันเหนื่อย เหนื่อยกับการหาเหนื่อยกับการดูแลรักษาแล้วก็เหนื่อยกับการสูญเสียไม่มีอะไรดีเลยการที่มีอะไรมากๆพระเจ้าสอนบอกให้มักน้อยสันโดดมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเอาน้อยๆเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้วไม่ต้องสองสามตู้หรอกร่างกายมันก็มีแค่ร่างเดียวมันก็ใส่ได้ทีละชุด ทำไมต้องมีต้องสองสามชุดสองสามห้องใช่อหมอมักน้อยเอาเท่าที่จําเป็นอพอมีพอมีพอใช้ก็เรียกว่ามักน้อยสันโดยก็คือเอาแล้วแต่ตามบุญตามกรรมถ้ามันมาเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหล ะ, ะมาน้อยก็เอาน้อยมะเอามากก็เอามากแล้วแต่มันจะมา แต่อย่าไปขวนขวายอย่าไปอยากได้บางทีวันเกิดเขาก็ซื้อเสื้อให้เราตัวซื้อกางเกงให้เราตัวหรือให้คูปองของขวัญให้ไปซื้อเอาไปแลกเอาอันนี้เรียกว่าตามมีตามเกิดแต่เราอย่าไปดิน้นเพราะถ้าดิ้นแล้วมันเท่าไหร่ก็ไม่พอพออยากแล้วพอได้ชุดนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้ชุดนั้นต่ อ, อชุดนั้นก็สวยชุดนั้นก็ดี ต่อไปเรื่อยๆชีวิตจะอยู่อย่างน้อมเย็นเป็นสุขขอให้มีมากน้อยสันโดษแล้วก็ให้คิดตามความเป็นจริงล่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ของทุกอย่างที่ได้มานี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขอยากจะเอาสุขมาพุโทโธกันดีกว่ามาีิปิโสกันดีกว่านะนะนะนะถ้าคิดอย่างนี้ทำนี้แล้วรับรองได้ว่าจะสบาย จะไม่วุ่นวายจะไม่วิตกกังวลไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไปทําให้มันไม่ธรรมดากันเองเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราตับกลายเป็นทำให้มันเป็นเหมือนกับข่าวหน้าหนึ่งคนนั้นคนนี้ตายโอ้ยพาดหัวข่าวกันตื่นเต้นกันอย่างเหมือนกับว่าคนที่จะไม่ตายอย่างนั้นนะ มีคนไหนไม่ตายบ้างเราก็รู้ใช่ไหมทุกคนที่เกิดมานี่ต้องตายถ้านั้นไมพอก็พลาดข่าวหน้าหนึ่งไม่ต้องต ะ, ตะลึงกันโอ้ยตายแล้วเลยไม่ควรจะบอกเออถึงเวลาแล้วรู้แล้วว่ามันต้องตายเพียงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เท่านั้นเองเออนะคิดแบบนี้นล้รับรองได้ว่าความเป็นความตายนี่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไป ได้ที่ตายก็ไม่ใช่เราไ ม, ไม่ต้องไปกลัวเราไม่เคยตายรู้เปล่าไอ้ตัวที่ที่เป็นเราจริงๆนี่ไม่ตายไอ้ตัวที่ตายไม่ได้เป็นเราจริงๆมันเป็นตัวตัวปลอมตัวรับรับใช้เราเนี่ยร่างกายเนี่ยมันตัวรับใช้เราเราเป็นเจ้านายมันอีกทีหนึ่งเราเป็นคนสั่งให้มันทำอะไรต่างๆถ้าเราไม่สั่งมันมันก็ทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้เราไม่ได้สั่งให้มันทำอะไรมันก็เลยนั่งเฉยๆยเงี้ยเดี๋ยวพอสั่งให้มันลุกมันก็ลุกพอคิดว่าจะลุกอ่ะมันก็สั่งมันละพอคิดว่าจะไปกินนู่นกินนี่กับมันก็สั่งมันละนี่แหละเราเป็นตัวคิดตัวรู้นี่ะตัวจริงของเราคือตัวคิดตัวรู้ไอ้ตัวนี้ไม่ตายไม่ตายไปกับไอ้ร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปไอ้ตัวคิดตัวรู้ก็ไปหาร่างกายใหม่เพื่อจะได้ใช้มันใหม่ ก็มาเกิดใหม่แต่เกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์ใช่ไทุกข์กับการหากินหาอยู่แล้วก็มาทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนฉลาดเขาถึงไม่มาเกิดกไม่เกิดก็ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรจะต้องมาวุ่นวายด้วยเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดแล้วจะสบาย จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ท่านสบายตอนนี้ท่านก็ยังสบายนั่งหัวเราะดูพวกเราทุกกันบอกมันรลางไม่เชื่อมันยังอยากจะหาร่างกายกันอยู่เอ้าช่างมันยังอยากจะดูยังอยากจะฟังยังอยากดูอยากฟังก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาถึงจะดูได้ต้องมีหูถึงจะฟังได้ต้องมีลิ้นถึงจะกินได้ มีจมูกถึงจดมกลิ่นได้แล้ก็เลยกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆกลับมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันร่างกายเราแก่เจ็บตายยังไม่พอยังไปกังวลกับร่างกายของคนอื่นอีกหาความทุกข์ใส่ใส่ใจตลอดเวลาหาความสุขใส่ใจไม่เป็นกันต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอน แล้วเราจะมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆนี้จะหายไปจากใจของเราทั้งหมดเอาล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตูจินังเปตานาังอุปกาปะติ อิิตังปะทิต um ังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะอาราโสยะธามณิโชติอาราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโขวินัสสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะ อาพิวาทนาสีิทสะนิจังุทธาปจายโนจตารธรมมวะทานติอายุวะโนสุขังภาลางังทำไมต่อไปไม่มีเงินใช้ก็หัดนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่ต้องใช้เงินดีกว่ะไทุกข์กับการไม่มีเงินทำไม ถ้านั่งเฉยๆได้ก็ไม่ต้องเสียเงินอที่เสียเงินเพนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องใช้เงินถึงจะมีความสุขกันแต่ถ้าไม่มีเงินก็หัดนั่งเฉยๆดูทุกคนอ่ะทุกคนที่มีหูเนี่ยไม่ได้พูดถึงคนใดคนหนึ่งหรอกทุกคน ถราคนเราไม่ต้องมีเงินก็มีความสุขได้ใช่ไถ้านั่งเฉยๆได้ก็มีความสุขได้ให้เรามีเงินเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินมาตั้งสี่สิบปีนั่งเฉยๆถึงเวลาก็นั่งเฉยๆไปไม่ต้องใช้เงินสบายไม่ต้องหาเงินถ้าใช้เงินก็ต้องหาเงินหาเงินก็เหนื่อย หัดหอยู่แบบไม่ใช้เงินดีกว่าใช้ก็เฉพาะซื้อข้าวให้ร่างกายกินนะอย่างอื่นไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าก็พอแล้วบ้านก็มีแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ถามเลยตอบหมดแล้ว วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาเท่าไหร่ละผดรเจดสิบค่ะทูบห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้าพรุ่ ง, งนี้มันอยู่ราชการใช่ไหมใช่แต่ทางธนาคารไม่หยุดเนี่ยนะบริษัทห้างร่างก็ไม่หยุด ใ, ใช่ไหมร้าวิสาหกิจก็ไม่หยุดอะหาอาอยุดหาายุดค่นะรานวิสาหกิจการราชการหยุด แต่ห้างร้านต่างๆเอกชนไม่หยุดพรุนี้เอาเป็นธรรมดาหรือเห็นคุณเก้าก็จะมาเห็นเก้าก็จะมาที่นี่ก็มีทีมงานสองทีมวันธรรมดากับวันหยุดราชการนี่ทีมทีมวันหยุดธรรมดาวันธรรมดาวันธรรมดาจะมีลำโพงแค่สองสามตัว เพราะคนไม่มากแต่ถ้าวันเสาร์ที่นี่คนมากมีลําโพงสิบตัวมั้งสิบกว่าตัววางไว้ตามจุดต่างๆเพราะคนมาวันเสาร์ที่มันมาอย่างน้อยก็ร้อยกว่าขึ้นไปอย่างเมาื่อวานวันวิสาขานึกสึกมาสองร้อยกว่าเพราะฝนตกมลยไม่มีที่นั่งกันเลยต้องนั่งแออัดกันศาลาข้างบนข้างล่างอันนี้แออัดกันบางคนต้องยืนกลางร่มยืนสมาธิก็มี เมื่อวานน่าจะเยอะกว่าเขาอาจารย์เพราะเฉพาะรถ150เขาร <150 S 1> นะ้อยห้าสิบก็ร้อยหาสิบนะสามร้อยขึ้นไปเกินสามร้อยไปแต่ทุกคนก็ไม่มีใครบ่นนะทุกคนก็แฮปปี้บอกให้นั่งเฉยๆก็ห้านั่งเฉยๆกันนั่งพุโทโธพุโทโธกันนั่งหลับตาดูลมหายใจกันสวดมนต์กันแล้วแต่จะถนัดถนัดแบบไหนก็นั่งทําไปก็นั่งกันได้นั่งจะก็นั่งฝนหยุด อืมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาส่งคําถามเข้ามาเอ้ยอคําถามที่ให้เขาที่เราโพสทุกสาวที่นี่จําเป็นต้องโพสเไม่ต่อไปนี้ไม่ต้องก็ได้นะก็ได้แล้วแต่อาจารย์ครับพรารู้สึกไม่ค่อยมีใครก็ก็ไปเขียนแล้วเพราะมันกว่าจะตอบมันต้องหลายวันอ <c oughs> าจารบอกผ่านบอกผ่านผู้ที่ดู่ะต่อไปนี้ไม่ต้องโพสคําถามสาววันที่หรือวันหยุดแล้วได้ไม่ต้องไปปังอุดแล้ว ไอเราพยายามปักหมุดให้เขาดาวน์โหลดหนังสือมันก็มาอาปักหมุดในตัวนี้แล้วเราก็ดูเป็นคำถามแค่สองข้อเท่านั้นเองสู้ให้เขาถามสดดีกว่าเพราะมันมีสดทุกวันอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามที่เข้ามาทางอาถ่ายทอดสดกันเพราะถามได้ทันทีเลยนี่เขาถามวันนี้กว่าจะมาตอบอีกสองสามวันคนฟังคนถามไม่รู้ติดตามอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็ไม่ได้ฟังคําตอบ ใะสู้ถามตอบแบบสดๆร้นอนๆอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนส่งข้อความเข้ามายังตอบไ่นี่ไม่ต้องไม่ต้องโพสแล้วนะขอเชิญตอบถามคํําตอบคาถามเรนต่างดีไหมเรายังจะให้โพสอยู่ไหนก็ได้แต่พรอาจารย์ครับไม่้องโพสก็ได้แต่ไม่ต้องไปปากหมุดละโพสแล้วก็โพสไปเพราะฉนั้นคนอื่นเขา โพสไปกเ็เวลาเราโพสอันใหม่เข้ามามันก็ถูกไว้ตอัว น, นั้นกันอยู่นยู่เลยด้วไงเพราะท่านที่ดูเห็นว่ามีคําถามแค่สองสามคำถา ม, มนั่นเองเพราะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีถ่ายทอดสดแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมาถามผ่านทางถ่ายทอดสดกันยกเลิกดีกว่านะเอไม่ต้องไม่ต้องโพดขอเชิญถามคําถามเพื่อตอบในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันอะไรอี้มขอเชิญถามได้สดทุกวันดีกว่า ตอนนี้อยากจะถามว่าเขียนเข้าความส่งก็ามาได้เลยขอให้กระชับหน่อยสั้นๆหน่อยอย่ า, อ, าอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่าเยอะเขอเก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเอ้เรื่องอย่างอื่นนี่อย่าอย่าถามดีกว่าว่าไม่อยากจะไป ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากเปลืองตัวอ่าว่ามาคำถามทาง u t u b e จากคุณสกายฟอลค่ ะ, ะกลับขอคำแนะนำสำหรับการเลือกห่วงภาพพจน์ภาพลักษ์ของตัวเองด้วยครับว่าควรทำอย่างไรก็มันต้องเสริมอ่ะเดี๋ยวก็ตายก็คนเขาก็ลืมแล้วใชนะ ไ, ไหมคนที่เขาตายเปยี่สิบปีที่แล้วนี้มีใครจำเขาได้ปะภาพพจน์ดีขนาดไหนเรวขนาดไหน เด็กเรื่องไอเด็กที่มาเกิดที่นังมันก็ไม่สนใจแล้วล่ะเด็กมันก็แค่สนใจแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นตอนนี้ใครกำลังดังอะเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะเออมันก็บ้ากันไปตามใช่ไหม้สมัยเราเป็นเด็กก็พวกสี่เต่าทองนี้สมัยนี้มีใครสนใจมั้งวะไม่มีใครสนใจงั้นหมอทุกอย่างมันมันต้องเสื่อมอย่าไปยึดไปติดมันเลยมันเป็นของชั่วคราว ภาพลักษ์ของเรามันก็แค่ปัจจุบันเนี้เดี๋ยวเราแก่ก็ไม่มีใครก็สนใจเราแล้วละเอาความดีดีกว่าความดีเนี่ยไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วทำํำไมคนยังจําพระพุทธเจ้าได้จําเพราะหน้าตาหรือจํำพวกความดีามดทางความดีไปเถิดถ้าอยากจะมีภาพลักษ์ที่ดีขอให้ทําด้วยความดีทําบุญทําทานไปช่วยเหลือกัน เ, เสียสละแบ่งปัน ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นเราลัรบรองได้ตายไปมีคนเข้าสร้างอนุสาวรีย์ให้เราเอ ง, องเราไม่ต้องไปสร้างเนี่ยเดี๋ยวในหลวงของเรานี่ก็จะมีคนสร้างให้ต่อไปท่านทำไ ม, ไ ม, ไมที่ท่านอยู่ท่านไม่ได้สั่งให้สร้างเลยใช่ไหมเป็นเรื่องของความดีถ้ามีความดีแล้วเดี๋ยวมีคนเขาจ ะ, ะเรารึกถึงความดีของท่านนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำไมสร้างเพรา ะ, ระทรูปกันเหลือเกินสร้างกันไม่หวาดไม่ไหว พระเราก็รับวัดไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยเพราะความดีของพรุทธเจ้าเนี่ยมากมายมหาศาลสองพันห้า้อยหกสิบปีแล้วยังไม่ลืมเนี่ยส่วนคนที่เป็นดารานี่ตายไปสิบปีก็จําไม่ได้แล้วเป็นใครบ้างเนี่ยดาราที่ตายไปสิบปีนี้จําได้มั้งมีใครบ้างไหมไม่มีเหรอฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องภาพลักษณ์เลยให้ห่วงเรื่องอความดีดีกว่า ทำความดีไปเถิะแล้วความดีนี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะเชิดชูเราต่อไปคำถามในอินบ็อกซ์กับคุณละวิวันค่ะปฏิบัติมาได้หลายปีมาช่วงหลังเกือบเกือบห้าเดือนมานี้มันฝันและละเมอบ่อยๆว่าไปนอนห้องที่ไหนไม่รู้และนอนอยู่กับใครไม่รู้แต่มันน่ากลัวนะเจ้าคะ่ะพอเห็นไม่ฝันแล้วตัวเราก็ลุกขึ้นมานั่งมอง ว่าเป็นท่องตัวเองนี่นาะเหมือนละเมอลุกขึ้นมานะคะโยเป็นคนขี้กลัวค่ะพยายามตั้งสติตลอดเวลานอนก็ท่องพุทโธตลอดค่ะตอบถามเท่านี้ค่ะออถ้ากลัวก็พุโทโธไปถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปแต่เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นวิบากของเรา เ, ออเราทำบุญทากรรมทำอะไรไว้เดี๋ยวเวลานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันพระพุทธเจ้าบอกว่าคนทาดีนี่นอนหลับจะไม่ฝันร้าย ตื่นจะมีความสุขหลับจะมีความสุขเนี่ะังนั้นพยายามทำความดีไปอย่าทำบาปทำบาปแล้วจะฝันร้ายคนดีนี่จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธเนีย่ยดะงนั้นทำความดีแล้วจะปลอดภัยคงถามจากคุณวิยาถ้าติดเหล้าติดบุหรี่ติดกาแฟเป็นกิเลส แต่ถ้าการนั่งสมาธิจะเป็นมัคใช่หรือเปล่าครับก็มัคมัคก็คือทางเดินสู่การดับทุกข์เี่ยก็มีศีลสมาธิปัญญาการติดสุราติดอบา ย, ย ม, มุกนี้มันเป็นทางไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางไปสู่การไปเกิดในอบายอบายมีอยู่สี่เดลฉานเปรตอสุลกายนารกคําถามจากคุณวิพาดาค่ะ หนูอยากทราบว่าการรักษาศีลห้าแม้หนึ่งหมื่นครั้งบุญก็ยังไม่เท่ากับการนั่งสมาธิถึงขั้นเอกคตาเพียงครั้งเดียวจริงหรือเปล่าคะจะว่าจริงก็จริงแต่ถ้ายังไม่ได้รักษาศีลมันก็ไม่มีทางที่จะได้สมาธิยังต้องรักษามาต้องรักษาศีลก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้แล้วก่อนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องทําฐานก่อน มันเป็นขั้นบันดไดเหมือนเรียนหนังสืออะความรู้ระดับอนุบาล น, นี่มันน้อยกว่าความรู้ระดับปถมความรู้ระดับปถมมันน้อยกว่าความรู้ระดับมัธยมแต่เราจะถ้าเรายังไม่ได้อยู่อนุบาลเราจะเป็นเรียนระดับมัธยมได้ยังไงยังไปไม่ได้ยังไม่มีภูมิปัญญาที่จะรับความรู้เหล่านั้นดังนั้นความสุขหรือผลที่เราบุญที่เราจะได้จากสีงจากสมาธิมันต่างกัน แต่เราก็ต้องก้าวไปตามตามลำดับของเราขั้นต้นเราก็ต้องทำทานก่อนเสียสละแบ่งปันบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเมื่อเราบริจาคแล้วเราจะมีกำลังรักษาศีลได้เพราะเราจะเป็นคนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราจะไม่อยากให้คนคนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเราทำอะไรเราจะ คิดอย่างรอบคอบกอนว่าทําแล้วทําให้คนอื่นเข า, เ, าเสียหายหรือเปล่าทำแล้วให้เ้าตายหรือเปล่าทําแล้วทําให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายหรือเปล่ามันก็จะทําให้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีขึ้นมานั้นก็ทําให้เราสามารถรักษาศีลได้ถ้าเราไม่ทําทานมีแต่อยากได้อย่างเดียวเราจะทําอะไรเราก็จะไม่คิดถึงความเดือดร้อนของคนอื่นเพราะเราอยากจะได้ของที่เราอยากได้ ถ้าต้องขโมยก็ขโมยถ้าต้องฆ่าก็ต้องฆ่าอย่างนีพวกที่ไปฆ่าคนพวกที่ไปขโมยข้าวของเขาพวกนี้ไม่เคยทําทานทําทานไม่เป็นมีแต่จะเอาอย่างเดียวให้ไม่เป็นพวกนี้ไม่มีวันที่จะรักษาศีลได้ไม่มีวันที่จะนั่งสมาธิได้มีแต่จะไปติดคุกติดตารางมีแต่จะไปเกิดในอบายเท่นั้นเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราทําบุญเป็นขั้ น, ข, นขั้นเหมือนเรียนหนังสือ เรียนหสือขั้นอนุบาลก็คือทานขั้นปฐมก็คือศีลขั้นมัธยมก็คือศีลที่สูงขึ้นศีลมีสองระดับศีลห้าศีลแปดแล้วขั้นอุดมศึกษาก็มีสมาธิระดับปริญญาตีโทเอกมีสมาธิมีปัญญามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องอาศัยแต่ละขั้นพาขึ้นไป ไม่ใช่อยู่ดีๆพอเขาบอกว่าขั้นนี้ดีก็ไปเลยไปนั่งสมาธิเลยนั่งก็นั่งไม่ได้ใจไม่มีวันที่จะนิ่งไม่มีวันที่จะสงบได้ยังต้องทำตามขั้นไปแล้วมันจะทำให้เราทำได้เหมือนขึ้นบันไดเนี่ยถ้าจะขึ้นจากเก้าที่ศูนย์ไปถู่เก้าที่สี่แล้วนี่เก้าไหวไหมขาฉีกนะใช่มหมไมนต้องเก้าทีละเก้า จากศูนย์ไปหนึ่งจากหนึ่งไปสองไปขึ้นเดินไปทีละขั้นไปเนี่ยการปฏิบัติถึงมาผลจะมีมากขึ้นไปตามลำดับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเราจะได้ผลมากทันทีมันอยู่ที่ความความสามารถของเราคนบางคนอาจจะนั่งสมาธิได้เลยเพราะชาติก่อนเขาเคยรักษาศีลแล้วเขาเคยทาบุญทำทานแนละ้วพอก็ามาวัด มาฟังเทศฟังธรรมเขาว่านั่งสมาธิของเขาได้เลยบางคนมาแล้วนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วก็คิดนู่นคิดนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่อ ย, นนอยากกินนู่นอยากกินนี่อันนี้เป็นเรื่องของอดีตแต่ของแต่ละคนที่มาไม่เหมือนกันเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยคนบางคนอาจจะย้ายมาจากอุดรจากขอนแก่นจากเชียงใหม่ คนหนึ่งอาจจะจบอนุบาลแล้วคนนึงอาจจะจบประถมแล้วไอ้คนจบมัธยมแล้วพอมาเรียนที่นี่ก็อาจจะเรียนคนละชั้นกันบางคนก็เรียนต่อชั้นที่ก็เคยต่อจากชั้นที่เขาได้เรียนมาคนที่เคยทําทานแล้วพอก็ไม่เกิดเขาก็จะรักษาศีลได้คนนี้รักษาศีลได้เขาก็จะไปนั่งสมาธิได้ดังนันมันจะบอกในตัวเราเองว่าเราทําได้หรือไม่ได้ถ้าคิดว่ามันดีก็ลองทําดูสิ ถ้าอยากจะดีกว่านี้ก็บวชเล ย, เยบุญได้เยอะก่ะเยอะแยะเล ย, เยไปบวชกันดีนคำถามจากคุณพิมพรเมื่อคืนนี้หนูไปวัดป่าไปทําวัดเย็นค่ะทางวัดจะมีให้สวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาพอหนูนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วเกิดปิติมีน้ําตาเหมือนอยู่ข้างในมันจะไหลยอยู่ข้างในค่ะดีมากค่ะไม่มีทุกเวทนาเลยค่ะตัวเบาสบาย การที่เรานั่งแล้วเกิดปิติต่อไปหนูจะนั่งสมาธิและปฏิบัติไปเรื่อยๆหนูจะมีโอกาสนั่งแล้วตกหลุมตกบ่อหมเจ้าคะ่ะมีก็เราไปครึ่งทางวันนี้ปิตินี่ก็เหมือนกับเราได้ไปถึงครึ่งทางแล้วขอให้เราพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปอย่าอย่าหยุดตรงนั้นพอปิติแล้วอย่าอย่าหยุดปล่อยมันปิติไปเราก็พุโทโธของเราไปถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าหยุดน เหมือนนั่งรถเนี่ยนั่งรถจากนี่จะไปกรุงเทพพอถึงบางแสนก็อย่าเพิ่งลงขับรถต่อไปถ้าไปถึงบางแสนแล้วก็จอดไม่ขับต่อไปมันก็ไปไม่ถึงกรุงเทพแล้วต้องขับรถไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะผ่านเมืองชนผ่านอะไรก็ให้รู้ว่าเราผ่านไปเท่านั้นอย่าหยุดจนกว่าเราจะถึงกรุงเทพแล้วเราค่อยหยุดจนกว่าเราจะตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะหยุดเองมันเหมือนกับรถเมลที่มันถึงป้ายสุดท้ายแล้วมันก็ไปต่อ ไ, ไม่ได้ หรรถไฟพอมันวิ่งถึงหัวลาโพงมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้มันก็ต้องจอดคนผู้โดยสารก็ต้องลงแย้วงนั่งไปเรื่อยๆพูดโทไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกหลุ ม, มตกบอ่อวุบลงไปแล้วก็จะนิ่งจะสงบจะสบายจะมีความสุขจะจะมีความอัศจรรย์ใจโอ้เป็นอย่างนีนะ้มีอย่างนี้อยู่ในตัวเราไม่ต้องไปหาที่อื่นหาที่อื่นก็ไม่มีอย่างนี้ ถามจากคุณอทิวิทย์ค่ะขอเมตตาจากพระอาจารย์แนะนําในการเจริญสติให้รู้ตัวตลอดเวลาครับก็ใช้พุโทโธไปก็ได้เลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากําลังทําอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องคิดก็ใช้พุโทโธไปถ้าต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราทําก็หยุดพุดโทโธก่อนถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ก็ให้พุโทโธไปแต่อย่าไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเนี่ย ลูกเสียงกลิ่นลดเรื่องอะไรต่างๆอย่าไปคิดนะให้อยู่กับพุทโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็ให้เฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนกำลังเดินกำลังอาบน้ำแต่งตัวกำลังลั่งหน้าแปรงฟันกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังเดินก็ไม่ได้ดู่กำลังเดิ น, นอ้าวเหยียบ่ะแล้วหักจะแล้ว ก่ากำลังฟังอยู่ไม่ได้อยู่กับการเดินอไม่ได้มันหักแล้วทํำไงหักแล้วก็หักไปโง่เองช่างมันโง่เองไม่มาหาวิธีป้องกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาทําใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้คนมายิ่งเยอะแยะเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวต้องบอกหัวหน้าให้ก็มารู้ว่าต้องหามาตรการแต่พรุ่งนี้ถึงวันเสาร์ไม่ควรจะทำแล้วถึงวันอาทิตย์สามวันวันหยุด ถ้าจะมาทำก็องมาทำวันจันทร์ใหม่มาเราต้องหาอะไรตั้งขวางไว้ให้คนเดินไม่ได้แล้วก็แนะนำเขาแล้วว่าให้ทำครึ่งหนึ่งให้วันหนึ่งให้ให้ให้เข้ามาทางทางด้านหน้าอีกวันหนึ่งให้มาเข้ามาทางด้านหลังมันก็ไม่ฟังเราเนี่ยมันก็ทาตามเรื่องของมันะมันก็ได้ผลอย่างนี้คาถามจากคุณควานทีค่ะ หาต้องเขียนนิยายจำนายอยู่จะต้องวางจิตอย่างไรคะเกี่ยวกับสินข้อสามและเรื่องการมาคุณค่ะสินข้อสามก็ก็เขียนให้สอนให้คนมีผัวเดียวเมียเดียวสิอย่าไปอย่าไปเขียนนิยายที่มีชู้กันมีอะไรกันเขียนนิยายธรรมะก็ได้นะไม่เขียนชอบไปเขียนนิยายกิเลสกันรื้ว่ามันขายไม่ออกมังนิยายธรรมะคนชอบนิยายกิเลส ชอบอชอบแบบไปมีชู้กัน ม, มันก็ไม่รู้จะให้ทําใจยังไงถ้าคุณจะคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเอาสินหรือคุณจะเอาเงินใช่ไหมอยากอาทั้งสองอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้ได้เหมือนกันแต่มันจะขายไม่ออกมันก็จะไม่ได้เงินขนาดหนังสือธรรมะแจกฟรยียังไม่มีใครอยากจะหยิบ <laughs> <laughs> กู <laughs> ส้สอขายหสือนยายทำแล้วขายขายังมีคนอ่านเนีถ <c oughs> ้าคณไม่อยากจะผิดศีลก็เปลี่ยนอาชีพดีกว่าเออไปทำอาชีพที่เออไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำยุยงให้คนอื่นทำผิดศีลผิดธรรมกันคำถามจากคุณก้อยการทำสังฆทานถ้าเราไม่ค่อยมีปัจจัยแต่อยากถวายสังฆทานเลยไปที่วัดที่เขาเตรียม แล้วเราเอาปัจจัยไปใส่ตู้อยากถามพระอาจารย์ว่าแบบนี้เราจะได้บุญเหมือนที่เราไปซื้อของใหม่ไหมคบเหมือนกันมันอยู่ที่เงินที่เราเสียเบอรจากไปมันไม่ได้อยู่ที่ของที่เราซื้อหรอกคือจำนวนเงินนี้จะไปทำแบบไหนก็ได้ไปซื้อซื้อปลาไปปล่อยก็ได้ซื้อข้าวไปเลี้ยงหมาก็ได้ซื้ออาหารใส่บาตก็ได้ได้บุญเหมือนกันเพราะเป็นเป็นขั้น เป็นการเสียสละเหมือนกันเสียเงินก้อนเดียวกันเนี่ยมันแต่ผู้วิธีเสียมันจะเสียแบบไหนก็ไม่สำคัญเอาไปให้พ่อให้แม่ก็ได้ mm. ก็เป็นการได้บุญเหมือนกันเป็นการบริจาคเหมือนกันเสียเหมือนกัน mm. ทำบุญกับพ่อกับแม่บ่ได้ทำบุญกับพระ อ, อาหารเลยนะ mm. ไม่ใช่น้อยๆเนียนะ่ยพ่อแม่ของเราเนี่เป็นพระ อ, อาหารของพวกเรา mm. ทาบุญที่ไหนก็ได้ ที่เขาบอกทำสังฆทานแล้วจะได้บุญเยอะๆเนี่ยอันนี้เนียมันต้องอธิบายมันรู้จักจะอธิบายให้ฟังไหมคำว่าสังฆทานคือทานที่ให้กับสงคำว่าสงนี้ไม่ได้หมายถึงภาะรูปใดรูปหนึ่งหมายถึงของพระของพระทั้งวัดก็้าใจไหมแต่ว่าเราไปถวายของวัจนบอกขอถวายนี้เป็นสังฆทานนี่พระมารับคนเดียวนี่อย่างเราเนี่ยเรารับเราจะเป็นของเราไม่ได้ เราต้องเอาไปแบ่งให้กับพระที่อยู่บนเขานี้ทั้งหมดถึงจะเป็นสังฆทานแต่ส่วนใหญ่เวลาไปทำกับพระรูปใดรูปหนึ่งพระเขาเก็บไว้ของทขาที่กุฏิันเดียวเขาไม่ได้เอาไปแบ่งกับใครแต่ถ้าเป็นสายวัดป่านี่จะมีอาจารย์หัวหน้ามารับแทนพระทั้งหมดอย่างของทั้งหมดนี่รับมาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในส่วนกลางพระรูปไหนขาดอะไรต้องการอะไรก็มาเอาไป เราก็รับแล้วก็แบ่งมากเมื่อมาสำหรับตัวเราแต่ไม่ได้เก็บไว้หมดที่เหลือก็เอาไปแบ่งกันแจกกันไปอันนี้เรียกว่าสังฆทานแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ที่เราทํานี้มันไม่ได้เป็นสังฆทานถึงแม้จะเรียกว่าสังฆทานเน่ไม่ไม่สังฆทานเป็ น, ม, นผผมีมวลพระมารับของรับเสร็จพระท่านก็เอากลับกุฏิของท่านไปท่านก็เก็บไว้ใช้ของท่านคนเดียวเป็นของของท่านไปอย่างนี้เรียกว่าบุค บุคลิกทานทานที่ถวายให้แก่บุคคลคนใดคนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้ถวายสังฆทานก็เพื่อว่าส่วนรวมจะได้อยู่ได้ถ้าถวายให้เราคนเดียวเดี๋ยวเราตายไปค น, คนที่คนที่ไม่ได้รับเขาก็ลาบากถ้าเราถวายให้เราคนเดียวเราเก็บไว้แล้วเราก็าไปขายหรือเราไปทำอะไรของเราตามใจแต่ไม่แบ่งให้พระเนี่ยพระอยู่ไม่ได้เขาก็เสิกกันไปหมดใช่ไหม พ่เขาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรกินเก็เจะอยู่ได้งไงถ้าไม่มีพระแล้วต่อไปใครจะมาสืบทอดศาสนาสมัยแรกๆก็อยากจะถวายแต่พระพุทธเจ้าองเดียวก็พระเจ้าก็บอกไม้ไปถวายสังฆทานเนี่ยแม่ของพระพุทธเจ้าตัดจีวรมาถวายพระพุทธเจ้าแม่เลี้ยงถวายสามครั้งพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไปทําเป็นสังฆทานอืย่ามาถวายให้เรา เอาไปให้พระเขาจัดการว่าใครเดือดร้อนใครขาดแคลนพ้าจีวรก็ให้เขาเอาไปให้คนที่เดือดร้อนองค์ที่เดือดร้อน mm hmm. อันนี้เรียกว่าสังฆทานให้ให้กับสงให้เป็นส่วนกลาง mm hmm. ให้สงดูแลกันจัดการกันแบ่งปันกัน mm hmm. แล้วอย่างนี้จะทำให้สงมีพลังเยเพราะสงทุกรูกจะได้ช่วยเหลือกันดูแลกันแบ่งปันกัน mm hmm. ก็จะทำให้สงอยู่ไปได้นานๆศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีพระสงฆ์ เวลาจะบวชนี่ต้องมีพระสิบรูปถึงจะบวชได้ถ้าเกิดดูแลพระเจ้าองค์เดียวได้อะไรมาก็ถวายพระเจ้าถวายพระเจ้าพระอวยก็อดตายกันพระอวยก็สึกกันไปอยู่ไปแล้วมันไม่ได้อะไรไม่มีกินไม่พอกินท่านถึงบอกให้ถวายเป็นสังฆทานอย่างสาลานี่เขาสร้างเสร็จก็ไม่ได้ถวายให้พระที่รับก็ถวายให้เป็นสังฆทานให้เป็นของวัดไป การถวายให้ของเป็นของวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นสังฆทานถ้าถวายให้กับเพร่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นส่วนตัวไปนี่คือความหมายที่ว่าได้ประโยชน์มากคือคนให้ได้บุญเท่ากันเข้าใจไหมให้กับสงหรือให้กับภาพรูปใดรูปหนึ่งคนให้ให้สิบบาทมันก็ได้บุญแค่สิบบาทมันมันไม่ได้หมายความว่าถวายสิบบาทแล้วให้สังฆทานนี่จะได้บุญมากกว่าให้กับคนเดียว เนื่องจาว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นต่างกันถ้าให้กับส่วนรวมนี่ส่วนรวมจะอยู่ได้นานถ้าให้คนเดียวนี่เดี๋ยวพอคนเดียวตายไปก็จบไม่มีอะไรตามมาคนเดียวทําประโยชน์สู้สู้ส่วนรวมทําประโยชน์กันไม่ได้ท่านถึงบอกให้ทําให้ทําบุญให้กับส่วนรวมเป็นหลักอะเข้าใจยังว่าม า, มาต่อวนแล้วเหรอยังค่ะ ต้องถามจากคุณอาจารย์งามค่ะการรักษาศีลแปดหนึ่งครั้งมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาศีลห้าหนึ่งร้อยครั้งจริงหรือไ ม, ไม่ครับทำไมต้องถามอย่างนี้ด้วยศีลห <c oughs> ้ามันน้อยคุณไม่ก็น้อยกว่าศีลแปดแล้วอใช่ไหมศีลห้าข้อมันจะสู้ศีลแปดข้อได้ยังไงอมันก็เหมือนกับว่าเอาเงินหบาทกับเอาเงินแปดบาทนี่อันไหนจะมากกว่ากันเงินแปดบาทมันก็ต้องมากกว่าเงินห้าบาท อัา wow. ไม่น่าจะถามเลยใช่ไหมถามไปแล้วค่ะข้อสองค่ะการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การบวชพระจะได้รับอันนี้สงบนอย่างไรคะก็เหมือนกันเราก็บริจาคเงินซื้อจีวรซื้อบาซื้ออัถาบริขารมันก็เป็นมันก็เป็นทานอย่างหนึ่ง ท่านั้นเองแต่ประโยชน์ก็อาจจะพผ้าที่บวชองค์นั้นอาจจะกลายเป็นผ้าอรหันต์ขึ้นมาก็ได้ถ้าท่านบวชแล้วท่านไม่ศึกอาเงี้ยเราก็ท่านก็จะมาทําประโยชน์ให้กับพวกเราต่อกลับมาสั่งสอนพวกเราเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพอไปบวชแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วท่านก็มาทําประโยชน์ให้กับโลกอย่างมหาศาลสองพันห้าร้อกว่าปีโลกยังได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากการบวชของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน เขาถึงบอกานางสุชาดาต้องที่ถวายข้าวก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรตวเนี่ได้บุญมากได้สนับสนุนคนที่จะบวชคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้กินข้าวมื้อนั้นอาจจะไม่ได้ตัดสรูวก็ได้เพราะอข้าวมันต้องสี่สิบเก้าวันไม่มีแรงคำถามจากคุณฟู ทำไมเวลานั่งภาวนาสักพักจะชอบเลอออกมาเป็นอาการปกติหรือเปล่าครับก็แล้วแต่บางคนคนหนึ่งเขาไม่เลอก็มีอาจจะเป็นธรรมชาติของเราที่ชอบเลอเลอก็รู้ว่ามันเลอไปอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปพระอาจารย์ครับมีมีน้องมนุษย์ก็ฝากถามว่าตอนที่เขานั่งสมาธิเนี่ย และเขาตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้สึกตัวไม่รู้ไม่รู้อะไรหมดเลยครับเ <n> um> หลืออยู่อย่างเดียวที่เสียงยังได้รับอยู่แต่ว่าเขาก็สัดแต่ว่าได้ยินแต่ว่าทำไมเสียงถึงไม่ตัดไปด้วยครับอาจารย์ก็ไม่แ <n> น um> ่บาง <n> um> <n> um> ทีมันก็ยังไม่ตัดหมดมันยังเข้าไปไม่ลึกพอถ้าเข้าไปลึกพอมันก็บางทีมันตัดหมดนะคำถามจากคุณเบญจวรรณขอคาแนะนา กรรมฐานจิตตภาวนาเจ้าค่ะอ่ากรรมฐานก็แปลว่าอารมณ์ที่เราใช้ในการบําเพ็ญจิตตภาวนาจิตตะภาวนาก็คือการทําใจให้สงบอ่าสาธุสาธุาธทําใจให้จลาดเรียกว่าจิตตภาวนาการจะทําใจให้สงบได้ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่สี่สิบข้อด้วยกันสี่สิบอย่าง แต่ไม่ต้องทําทั้งสี่สิบอย่างไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบอย่างใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติหรือดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนาสติเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจให้สงบผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ใจสงบ ก, การนั่งจิตตภาวนาก็คือทําให้ใจสงบ เมื่อใจสงบแล้วก็หลังจากออกจากความสงบก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจให้พิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความกังวลอยู่แบบหายห่วงเรียกว่าจิตตภาวนา ถามจากคุณวานิดาเวลานั่งไปแล้วจะรู้สึกคันคอแล้วก็ไอาจามและน้ําตาและน้ำมูกจะไหล ย, ย้ลยยอยออกมาจะแก้ไขอย่างไรคะไม่ต้องไปแก้หรอกปล่อยมันไปกแล้วก็พออาวนาของเราไปพุโทโธไปดูลมไปถ้าเราไปคอยแก้มันก็ไม่มีวันจบเรามานั่งเพื่อให้ใจสงบเราไม่นำมานั่งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องของร่างกาย มันจะเป็นก็เป็นปล่อยมันเป็นไปเราก็ดูลมไปพุทโธไปคําถามจากคุณชินค่ะโยมนั่งหลักตาเจริญพุทโธไปกับการดูลมหายใจสักคู่ก็มีอาการจับสำลักน้ำลายโยมก็คือ น, น้ำลายหลังจากนั้นก็นั่งเจริญพุทโธและบางทีก็นั่งไปได้สักสิบนาทีเหงื่อแตกจนน้ำเหงื่อไหลผ่านตา โยงก็หันมาดูกายประมาณสามถึงสี่วินาทีรู้สึกถึงเหนือที่หลาผ่านตาที่ปิดจากนั้นก็หันมาดูลมหายใจต่อทําแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่คะไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันก็ทําแบบทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำํำไงพอกลับมาที่ร่างกายเมื่อไหร่แสดงว่าเราหยุดทําำละมือนขับรถไปได้ปั๊บแล้วก็ลงมาเจาะจอดรถแล้วก็ลงมาดูยางดูอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปขับใหม่มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง มันจะเสียเวลาพอภาวนาแล้วไม่ให้ไปสนใจกับร่างกายพุทโธไปอย่างเดียวดูลงไปอย่างเดียวมันจะคันมันจะเป็นอะไรมันน้ำลายจะไหลพอปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านี้มันจะหายไปเองคำถามจากคุณนารา ทำไมอารมณ์ของคนเราจึงมีความแตกต่างกันครับเพราะบุญกรรมทํามาไม่เหมือนกันเนี่ยคนทําบุญมาเยอะจะมีอารมณ์ดีกว่าคนที่ทําบาปมาเยอะคนทําบาปมาเยอะจะมีอารมณ์ไม่ดีมีโลภโมโทสันมากกว่าคนที่ทําดีคนทําดีนั้นจะมีความโลภโมโทสันน้อยกว่าอารมณ์จะเย็นกว่าใจจะเย็นกว่าใจจะดีจะมีความเมตตากรุณามุนิตรรมากกว่า อยู่่่ทททีีบบุญาาาเรกันมคำถามจากคุณนัทชัยข้อที่หนึ่งเมื่อเริ่มร่างสมาธิมักจะมีอาการคันยุคยิบเหมือนมีประจุไฟฟ้าวิ่งตามใบหน้าแขนขาลำตัวควรแก้ไขอย่างไรครับไม่ต้องแก้ละปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้ดูลมไปให้พูดโทไปเวลาเล่นไพ่เมนไปสนใจมันเลยเวลาดูหนังเมนสนใจมันเลย พอมานั่งสมาธิไหนมาสนใจเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาอย่าไปสนใจมั่อให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับนมไปอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกับเวลาเราดูหนังอะ่ะข้อที่สองเมื่อนั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทธโธได้สักพักจิตเริ่มดิ่งลงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภวังหรือเป็นสมาธิเราจะแยกแยะได้อย่างไรครับเพราะบางครั้งยังมีความนึกคิดอยู่ อ๋อถ้าเรารู้ตัวตลอดเวลาก็แสดงว่ามันเป็นผวางสมาธิเพียงแต่ว่ายังเป็นสมาธิแบบไม่เต็มร้อยยังมีความนึกคิดอยู่แต่ถ้าผวางหลับมันจะไม่รู้เลยคำถามจากคุณทัศนีในระหว่างปฏิบัติธรรมจิตมักจะคิดแต่เรื่องเก่าๆที่ไม่ดีถ้าตายไปในขณะนั้นจะตกไปอาบายไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดหรอก จะไปอบายหรือไม่ไปอบายนี่อยู่ที่จำนวนบาปที่เราทำไว้ว่ามันมีมากกว่าบุญหรือเปล่าบาปกับบุญมันจะมาเป็นตัวคิดบัญชีกันจะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางอบายไปทางนรกคําถามจากคุณปริยา ฝึกนั่งสมาธิแล้วยังเข้าไม่ถึงความสงบเป็นเพราะยังรักษาศีลไม่ครบหรือเปล่าคะเวลานั่งแล้วยังคิดเรื่องอื่นอยู่เลยก็มีส่วนแต่ตัวที่เป็นตัวสําคัญก็คือตัวสติตัวที่จะดึงใจเข้าไปคือพุโทโธพุโทโธนี่ยังไม่ต่อเนื่องยังไม่มีกําลังพอที่จะดึงให้มันเข้าไปมันก็เลยเข้ายังเข้าไม่ได้ยังต้องฝึกสติให้มากขึ้นการจะฝึกสติได้มากก็ต้องรักษาศีให้มากขึ้น สินห้านี้ไม่พอสินห้านี้ยังทำให้เราไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็จะทำให้เรามาเจริญสติได้ยากถ้าถือสินแปดนี้มันจะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆจะทำให้เรามีเวลามาอยู่คนเดียวมาเดินจงกรมมาเจริญสติงั้นก็ต้องมีสีลรักษาสีนแปดถึงจะทำให้การเจริญสตินี้เป็นไปได้มากขึ้น แล้วเมื่อเรามีสติมากขึ้นเดี๋ยวเราก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณพลค่ะทุดงควัตสิบสามคืออะไรครับแล้วถ้าโยมจะเอาอย่างพระจะผิดไหมครับเพราะเป็นเรื่องของพระก็บางข้อนิยมก็เอามาใช้ได้ทุดงควัดก็คือการการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินการนอนการอยู่ของพระ ที่ท่านไม่บังคับเป็นถือว่าเป็นความสมัครใจเป็นเรื่องของอาสาสมัครเช่นให้ฉันมือเดียวเนี่ยท่านท่านบอกถ้าฉันมือเดียวได้ดีกว่าฉันสองมือจะทําให้การปฏิบัตินี้ดีขึ้นง่ายขึ้นได้ผลมากขึ้นกว่ากินสองมือถ้าอยากจะลองดูก็ได้ญาติโยม ก, ก็กินมือเดียวก็ได้หรือกินในบาทก็คือเอาอาหาร ของที่จะเข้าไปในท้องนี่เอาไปรวมไว้ในบาตรก่อนการรวมในบาตก็มีรวมได้สองสามแบบแบบแรกก็คือแยกไว้เป็นมุมๆข้าวไว้มุมนึงกับข้าวไว้มุมขนมไว้มุมนึ่แล้วก็แบบที่สองก็คือไม่ต้องแยกสายมันเข้าไปตอกสายไปตรงไหนก็ได้แล้วแบบที่สามก็เอามาคนกันเลยเอามาคลุกกันเลยเหมือนกับตอนนี้มันจะเข้าไปอยู่ในท้อง อาหารอะไรที่มันจะเข้าไปอยู่ในท้องเอาไปเอาไปรวมกันไว้ในบาตก่อนทั้งของค้าของหวานทั้งเครื่องดื่มทั้งอะไรที่เราจะกินตอนนั้นเช่นเราไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเราสั่งกว๋วยเตี๋ยวสั่งข้าวผัดสั่งไอติมสั่งเป๊ปซี่แล้วก็มาใส่ชามันเดียวกันเลยแล้วก็คนมันเข้าไปเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปคนกันอยู่ในท้องอยู่ดีถ้ากินแบบนี้มันจะกินแบบไม่อยากจะกินด้วยความไม่อยากกินแต่กินแบบจําใจต้องกิน กินเพื <Specifically, S 1> ่อเลี no ้ยงร่างกายให้อยู่นี่คือวิธีกินที่ถูกต้องก็กินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ให้กินตามความอยากถ้ากินตามความอยากแล้วมันจะกินมากเกินไปเราจะทำให้หิวอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพอคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมาแล้วมันจะทมให้เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธินั่งได้ไม่เดี๋ยวนั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็อยากกินขึ้นมาแล้วก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าให้มันกินแบบนี้แล้วมันจะไม่อยากกินกินหอเดียวแล้วมันพอล้ มันก็จะนั่งสมาธิไปได้ทั้งวันอย่างสบายนี่ก็ทุดงควัตของพระคือชันในบาทฉันมือเดียวนี่ันแล้วก็ที่ยอมมาใช้ได้ก็มีสองอย่างส่วนจีวรก็ให้ใช้สำรับเดียวเนี่ยพระมีผ้าไตานี้พอละมีผ้านุ่งผ้าห่มผ้ากันหนาวมีแค่หนึ่งชุดก็อยู่ได้โยมก็เอาแค่สามชุดก็ได้ ชุดนึงไว้ซักชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนอชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้สำรองเพื่อวันไหนฝนตกมันอาจจะชุดที่ซักยังไม่แห้งก็มีชุดสำรองมาใส่เอาแค่สามชุดดูเลยอันนี้กับบันชุดรองของโยมอสามชุดเนี่ยมันชุดนี้ใส่อยู่ชุดหนึ่งซักเออเราก็ทำไมต้องเปลี่ยนมันทําไมเราเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเราก็ใส่มันชุดดั้นอะ เอามันชุดเดียวหาชุดแบบที่มันใส่ได้ทั้งวันสิไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดเช้าชุดกลางวันชุดเย็นชุดนอนแต่ไม่เอาชุดเดียวชุดเดียวไว้ใส่อีกชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองไว้เผื่อเวลาฝนตกมันไม่แห้งเนี่ยมีสามชุดก็อยู่ได้แล้วนี่ก็ทุดงของโยมส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิด ม, มีไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าก็อยู่ไป <Yeah. S 1> ไม่มีไม่มีเงินเช่าก็ไปอยู่ตามใต้สะพานแบบขอทานก็อยู่กัน <Yeah. S 1> ก็อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นทุดดงเหมือนกัน <Yeah. S 1> เข้าใจยังโอเคคำถามจากคุณน้อยนั่งสมาธิทุกวันแต่จิตไม่ลงรวมถึงแค่สว่าง แต่เคยรวมลงหลายครั้งแล้วต้องแก้อย่างไรคะก็ <c oughs> ต้องฝึกสติให้มากๆนั่งให้บ่อยๆพุโทโธให้บ่อยๆพุโทโธก่อนที่มานั่งอย่าจะพุทธยาพุโทโธจ๋าเฉพาะเวลาเรานั่งให้สร้างสติขึ้นมาก่อนสตินี้เราสร้างได้ก่อนที่เรามานั่งอพอเรามีสติแล้วเวลานั่งมันก็จะสงบได้เร็วได้ง่ายคำถามจากคุณเอวามีอยู่วันหนึ่งรู้สึกเคลียมาก ลงตัวลงนอนภาวนาแต่จิตเห็นว่าร่างตัวเองค่อยๆละลายไล่จากปลายเท้าจนถึงหัวเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะหรือว่าปุงแต่งไปเองเจ้าคะมันก็เป็นเรื่องปุงแต่งนัเพียงแต่ว่ามันปุงแต่งดีหรือไม่ดีถ้าเห็นร่างกายละลายไปกลายเป็นกลายเป็นขี้เท่าไปก็ดีเพราะต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วพยายามเอามาดูบ่อยๆเอามาเตือนใจบ่อยๆว่าร่างกายนี้ต่อไปมันก็จะละลายกลายเป็นขี้เท่าไป ร่างกายนี้เป็นเหมือนก้อนน้ําแข็งอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องละลายไปหายไปเหมือนเหมือนกับก้อนน้ําแข็งเวลานี่แหละจะเป็นตัวเป็นความร้อนที่จะมาละลายร่างกายเหมือนกับความร้อนที่ละลายน้ําแข็งตอนน้ําแข็งนี่เรามาตั้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวความร้อนมันก็จะค่อยๆทําให้น้ําแข็งนั้นละลายกลายเป็นน้ําเวลามันก็จะทําให้ร่างกายของนเรนค่อยๆละลายกลายเป็นขี้เถ้าไปใช่ั้มเวลาคนตายไปเก็บเนื้ออะไร หลือแต่เศกระดู ก, กับะขีเท่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นอย่างนี้ก็เป็นเป็นนิมิต ท, ที่ดีคนที่จะเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆเอามาเตือนใจอยู่เรื่อยๆเพราะจะเป็นวิปัสสนาจะเป็นปัญญาจะทำให้เราตรงได้วางได้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นหลงกับมันหลงคอยแต่งหน้าทาปากคอยทำเผ่ า, าทาผมมันอยู่นั่นเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นคีเท่าไปใช่ไ้ย ลองทําดูสิแล้วต่อไปจะไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ยอมรับกิเลสไม่ยอมรับคำ ถ, ถามจากคุณดานงค่ะสัตว์ที่ปล่อยทําบุญหรือสัตว์ที่เราไถ่ชีวิตเราจะกินเขาหรือไม่กินเขา กินหรือไม่กินอันไหนจะเป็นบุญเป็นบาปครับผมถ้าเขาตายกินได้ทั้งนั้นน่ยถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาตายหรือฆ่าเขาตายเองกินได้ทั้งนั้นถ้ามันมีกินก็กินได้ไม่กินก็ได้มันไม่มีความแตกต่างกันมันเป็นเพียงอาหารที่จะเลี้ยงดูร่างกายมันไม่มีความมันไม่มีบุญไม่มีบาปกับจากการกินนะกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันจะมีบาปก็ต่อเมื่อมันยังไม่ตายเราไปฆ่ามันแล้วเอามันมากินอย่างเงี้ยถึงจะบาปหรือสั่งให้คนอื่นเขาฆ่า เช่นเราไปที่ร้านแล้วสั่งร้านขายไก่ว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไปสั่งให้เขาค่ า, าแต่ถ้าเราไปที่ร้านแล้วดูว่ามีไก่ตายอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ซื้ออย่างนี้เราไม่เราไม่ได้สั่งเขาอย่างนี้เราก็ไม่บาปเราก็เอาไก่นั้นมาทำกับข้าวได้คำถามจากคุณตุกเวลาเอาของถวายวัดเช่นเอาเข้าวลงทาน โดยนําของไปลงที่โรงทานเลยโดยไม่ได้ถวายกับพระและไม่ได้รับพรจะได้เหมือนกับถวายกับพระและรับพรไหมคะได้ได้มันก็เรียกปิดทองหลังพระเนี่ยอาจจะได้มากกว่าถ้ด้วยซ้ำในกระดาษก็มันได้ตรงที่ว่าใจมันสบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการให้เขามารับรู้แล้วตัวเราก็กังวลว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราให้อะไรทํานองนี้เราก็จะได้ตัดไอ้ภาะวะ กังวันเหล่านี้ออกไปทําให้ใจเราเย็นไปถึงเขา้องไปวางไว้แล้วเราก็ไปแล้วเราได้ทําเสียสละแล้วเราได้บุญของเรามีความสุขใจแล้วคำถามจากคุณนิสราพรค่ะถ้าโยมไม่ต้องการผูกพันใดๆเลยโยมไม่เข้ากลุ่มไลน์เป็นการละนับกิเลสตัดกรรมไปเพราะไม่สนทาานาเลยเป็นการตัดต้นเหตุใช่หรือเปล่าคะ เหมือนก็เป็นการทําให้เราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมากเกินไปทําให้เรามีเวลาอยู่ตามลําพังเพื่อจเจริญสติได้เพราะถ้าเราไปเข้ากลุ่มเดี๋ยว เ, าเาขาคอยติดตามดูข่าวสารที่เขาส่งมากัน <c oughs> ก็ทําให้ความคิดปรุงแต่งฟุ้งไปเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ทําให้ใจสงบยากถ้าเราไม่รับรู้อะไรเลยใจเราก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ คอยควบคุมใจให้ใหสงบได้ง่ายกว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าคลุกคลีกันถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมนี่อย่าคลุกคลีกันให้แยกกันอยู่อย่าไปเกี่ยวข้องกันอย่าไปสนใจกันนอกจากเรื่องจําเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องคอยช่วยเหลือดูแลกันไปแต่อย่ามานั่งจับกลุ่มคุยกันสนทนากันม า, าวิพากวิจารณ์คนนั้นคนนี้กัน ไม่เกิดประโยชน์กับการภาวนาคำถามจากคุณธนพ า, าบุญกระถิ่นมากกว่าบุญผ้าป่าจริงหรือคะไม่จริงหรอกมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่เงินมากกว่าถ้าถวายพ่อป่าใช้เงินมากกว่าถวายกรถินบุญผ้าป่ามันก็ได้มากกว่าเพราะบุญมันมากน้อยอยู่ที่จํานวนเงินที่เราเสียสละไปถ้าเราเสียสละเงินน้อยมันก็บุญก็ได้น้อย เสียสละเงินมากมันก็ได้บุญมากคำถามจากคุณภูลสุขค่ะผู้ที่ปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานอยู่เนืองๆแต่การใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมกินอาหารแพงๆแต่งตัวชอบเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> แสดงว่าการปฏิบัติของเขาไม่ส่งผลให้กิเลสลดลงเลยเหรือเจ้าคะถามคนอ่านดูเลย <c oughs> <c oughs> เกลีดร้องลงกว่าไม่ร้องเลยใช่ไมเขาาตงใจว่เขาคงจะรู้จักร้องล้องเนี่ยก็าแก้งถามมาแย่ร้องาหรอใครรู้จักก็ว่ารู้ก อาวคํ า, าถามจากคุณสมศรีวัดป่าอยู่บนเขาถึงหน้าฝนจะมีเห็ดดอกออกเยอะชาวบ้านจึงขึ้นไปเก็บมากินและขายซึ่งเป็นที่ของวัดอย่างนี้จะบาปไหมคะแล้วแต่ว่าเขาขออนุ ญ, ญาตจากเจ้าเจ้าวาดหรือเปล่าเป็นของวัดก็ควรจะขออนุ ญ, ญาตก่อนถ้าไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตก็เหมือนกับลักทรัพย์นะถามไะ ไปสักสองสามข้อก็ได้อ่าสองสามข้อคําคถามจากคุณนันทิการการนั่งสอบถามเรื่องการนั่งค่ะลมหายใจเบาตัวเบาเวทนามีน้อยสอบถามว่าถูกต้องไหมคะหายใจเบาตัวเบาเวทนามีน้อยก็ดีแต่เวทนาอาจจะมีมีน้อยหรือไม่น้อยก็ได้แต่ถ้าลมเบาใจเบาก็สแสดงว่าจัด นก็ริ่มสคาถามจากคุณนพลเวลานอนทำพุทธโธไปจนเคิมหลับแล้วฝันว่าตัวเองเกิดเป็นผู้ชายมาหลายภพหลายชาตินอนตายเป็นกองเข้าภูเขาแล้วในฝันใจตนเองบอกว่านั่นกองศพที่เราเกิดมาหลายหนอันนั้นเป็นเพราะใจปรุงแต่งหรือสิ่งที่เป็นผลจากผลปรงความตายไปพร้อมกับอรุพะครับ มันจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญนะดูที่ดูที่ภาพดูที่เสียงมันผลิตขึ้นมาว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันมันบอกความจริงของชีวิตเช่นของร่างกายมันเป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ได้คำถามจากคุณชุติการสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิขณะที่บริกรรมปุทโโธไปเรื่อยๆแล้วเกิดลมก้อนใหญ่ในท้องทำให้รู้สึกอึดอดัด และเลือออกมาอันนี้หนูทําผิดหรือเปล่าคะต้องทําอย่างไรต่อไปคะเรื่องอากายของร่างกายนี้มันเป็ น, ปนไปได้ร้อยแปดพันประการครมันเป็นเรื่องปกติของแต่ละคนฉะนั้นไม่ไม่ไม่ได้เป็นมีนัยยะสําคัญอะไรเรื่องที่สําคัญก็คือใจเราหยุดคิดได้หรือเปล่าใจเราอยู่กับการดูลมหรืออยู่กับอยู่กับกรรบริกรรมพุโทโธได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญ บทอะไรใช่ไหมอีกหนึ่งค่ะคำถามจากคุณแนนโยมฝึกมาตั้งแต่โยมฝึกนั่งสมาธิมาตั้งแต่ท้องจนตอนนี้จะแปดเดือนแล้วการนั่งสมาธิที่โยมนั่งทำไมาตอนเช้าโยมจะรู้สึกว่านั่งได้มีสมาธิมากกว่าตอนนัน่งตอนเย็นคะเวลานั่งตอนเย็นจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเอาไฟมาสุมก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คะ่ะ เพราะตอนเช้านี่เราได้พักผ่อนหลับนอนจิตใจได้พักได้ลืมเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้ใจเราวุ่นเวลานั่งตอนเช้ามันจะสงบง่ายกว่าตอนที่นั่งตอนเย็นเพราะตอนเย็นนี้ใจเรายังมีเรื่องวุ่นวายที่เราได้ไปรับมาในช่วงกลางวันอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนมันก็เลยทาให้ใจนี้สงบยาก การนั่งสมาธิตอนตื่นเช้าเช้ามืดเนี่ยจะทำให้จิตสงบได้ง่ายกว่าเพราะใจได้พักผ่อนอร่างกายได้พักผ่อนแล้วเรื่องราวต่างๆที่คอยมาลุมเล้าใจมันก็หายไปละไม่มีอะไรมาลบควณใจมากเหมือนกับตอนที่เรานั่งตอนเย็นตอนค่าก่อนนอนเรื่องราวต่างๆที่เราไปทำมาในช่วงกลางวันนี้มันยังค้างค้างอยู่ในใจมันก็เลยทำให้สงบยาก อ, นะอนะมีเหรอมีคำถามเยค่ะอ่าคาถามจากคุณลาวันค่ะจะแก้เน็บชาได้อย่างไรคะอ๋อแก้ไม่ได้หรอกมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเวลานั่งมันเจนเน็บชาก็ปล่อยมันชาไปไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองเอาละน ะ, ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพ จ, จิรจาาไปปฏิบัติ